ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทงทลายแต่รมพระโพธิญาณได้นำเสนอพระพุทธคุณบทว่าพุทธ ท, ที่เราแปลกันว่าทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นในคำพีใส่ภูมิโลกวินิจัยและนำมาจำแนกอธิบายออกไปถึงสิบปณนยะด้วยกัน ก็ได้นำเสนอมาถึงย่ที่สี่ที่แปลว่ามีพระพุทธสันดานทรงพระคุณคืออ ร, รหัตมัคคยานัารานพวงกิเลสเป็นสมุดเฉดประหารหาเศษบอบไม่ได้ก็เป็นสมบรวนโบราณหน่อยคือประเด็นที่ควรทำความเข้าใจก็คือว่าคำพระพุทธสันดาน คือพระไทยของความเป็นพุท ธ, ธนั้นเป็นการละได้หมดทั้งกิเลสแล้วก็ทั้งวาสนาคือเพิงสังเกตว่าในส่วนลึกๆในด้านจิตใจของคนเรามันมีจริตมีนิสัยมีอัธยาศัยมีจิตสันดานแล้วก็มีวาสนา อาการเหล่านี้จะประนีตลึกซึ้งลงไปโดยลำดับตามปกติแล้วูกจริตที่ติดมาเป็นพื้นฐานของคนแต่ละคนสามัญชนเรายากที่จะละได้อยู่แล้วแต่ว่าบุคคลระดับพระพุทธเจ้านั้นได้ละลึกลงไปโดยลำดับที่สรุปรวมว่าเป็นกิเลสและวาจนาะ พอมาถึงระดับวาสนานี่คือสิ่งที่สะสมไว้จนกลายเป็นความคุ้นเคยภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นมันแสดงออกมาในรูปของปกลิกภาพเป็นปกติวิสัยจนเรียกว่าต้องยอมรับเขาว่าเขาเป็นเข า, เขาอย่างนั้นเองในอัตกถาท่านได้เล่าถึงบุคคลมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามาฟังเทศ ก็ เ, เป็นการฟังเทศร่วมกันกับพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยรพระเจ้าก็ทรงแสดงพประธริษรทศนอยู่ในป่าก็ตอนเย็นนะฮะพระเพรศายันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นสงบน่าฟังเทศจนถึงก็ความมืดก็เพิ่มขึ้นโดยลำดับ และมีคนอยู่สีท่านที่ฟังเทศโดยเรียบ ท, ที่ผิดแปลกจากคนอื่นคือคนหนึ่งนั้นนั่งขุดนั่งขุดดินอยู่เรื่อยจะสนใจฟังธรรมะหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่านั่งขุดดินอยู่้วยคนหนึ่งก็ขีดต้นไม้บ้างขยับต้นไม้บ้างปลักต้นไม้บ้างคนหนึ่งก็นั่งสปปงบระบๆตื่นๆส่วนใหญ่ก็จะหลับ คนหนึ่งก็งอแงดูท้องฟ้ามองทิศนั้นทิศนี้ทิศโน้นไปเรือร่อยๆจิตใจตัานคิดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่ใช่อิริยาบทของคนที่มาฝังเทศเมื่อท่านเดานกลับไปหมดแล้วภิกษุทั้งหลายก็เกิดสงสัยก็กราบทูลถามเล่าถึงพฤติกรรมของคนทั้งสี่คนให้ทรงทราบแล้วก็กราบทูลถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งว่ามันเป็น วาสนาของเขาคือเสพมาจนคุ้นเป็นปกตินิสัยบางครั้งก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าทำไปอย่างนั้นเนี่ยคือคนที่นั่งขุดดินเนี่ยชาติก่อนได้เคยเกิดเป็นไส้เดือนมาแล้วกินดินจนฝังเป็นลักษณะนิสัยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ยังอดที่จะไปขีดดิน ไปเล่นดินอยู่ไม่ได้คนที่ขย่าต้นไม้ขีดต้นไม้ผลักต้นไม้เนี่ยในชาติก่อนเคยเกิดเป็นลิงมามันก็ติดนิสัยที่จะขย่าต้นไม้ผักต้นไม้ขีดต้นไม้ไม่ได้แต่คนที่นั่งสปปงบหลับหลับตื่นตื น, นก็หลับมากกว่าตื่นเนี่ยในชาติก่อนก็เคยเกิดเป็นงูมามันก็ฝังอยู่ในจิตสันดานของเขา ก็กลายเป็นลักษณะนิสัยส่วนคนที่แงนดูท้องฟ้าดูดาวฤกษ์ดูดวงดาวมองไปทิศนั้นทิศนี้ไม่ใช่ลักษณะของการมือลอยแต่ว่าเมื่อชาติก่อนๆเนี่ยเขาเคยเกิดเป็นพรามณ์ดูดาวนะักขัตฤกษ์ ม, มามันก็ติดนิดสัยตรงนี้เราจะเห็นว่าคนปกติทั่วไปแม้แต่ระดับพระอระหันต์นี่จะละไม่ได้ เป็นความคุ้นเคยที่เสพมาจนคุ้นแล้วก็ไม่มีเจตนาเพราะว่าพระหารนั้นเขาเรียกว่าเป็นกิริยาจิตไม่มีเจตนาที่จะเป็นบาปอกุศลอะไรนะแต่ว่าท่านก็ปกติท่านก็เป็นอย่างนั้นมีพระหารบางรูปพูดหยาบอย่างพระปิรินดาวัจชะก็ใช้วัสลวทะ เรียกคนอื่นนะเจ้าถอยเป็นการเรียกโดยปากแต่ก็ไม่เรียกโดยใจคนก็บางฟ้องพระพุทธเจ้าเจ้าก็ทรงแสดงว่าเป็นวาสนาของเธอเธอเคยเกิดเป็นพรามาสารมาก่อนหมาก็อดที่จะพูดในลักษณะนั้นไม่ได้แต่พระพุทธเจ้านั้นได้ทรงเข้าถึงอรหัตตมรรคญาณซึ่งที่จริงพระหานั่งหลายก็บรรลุอรหัตตมรรคญาณ แต่ของพระพุทธเจ้าเป็นการศัสรุซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็เรียกว่าพุทธญาณคือเป็นญาณระดับพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าญาณตัวนี้จะมีความสว่างสวยรุ่งเรืองจนทำลายพวกวาสนาไปจากใจได้ที่ในความเป็นพระอาหารหัตอาตามัคคยาณได้ทำให้ท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่เป็นอาหารหันต์ประเภทสมมาสัพุทธเนี่ย คือศัรูดีศัตรูชอบโดยพระองค์เองมันเป็นความสว่างสวัยที่ไม่มีจุดมืดบอดอยู่เลยไปในประทัยของพระองค์เพราะอะไรเพราะว่าจากพระยานนั้นเป็นแสงสว่างในนั้นได้ทำลายกิเลสที่มีชื่อต่างๆเอ๋เรียกชื่อยาอยงไงก็ได้นะ แต่ว่าชื่อที่เวลาเอามาเรียงแบบอริยมรรอริยผลเนี่ยท่านจะพูดถึงสามโยนสิบซึ่งท่านในที่อื่นอาจจะพูดถึงอนุสัยเจ็ดก็ได้นะฮะจะพูดถึงอาสวะสามก็ได้จะอุปาทานสี่ก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรก็ที่จริงก็เป็นเรื่องเดียวกันตอนในที่นี้จะพูดในประเด็นของสังโยชน์คือกิเลสที่ลูกมดรตเริงใจคนเอาไว้ ซึ่งมีข้อที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานที่ว่าด้วยด้วยอายตนาปภ ะ, ะนะฮะหมวดที่เกี่ยวกับอายตนาเนะี่ยก็ทรงสอนให้ดูจิตเวลาตาเห็นลูกหูฟังเสียงเป็นต้นเนี่ยดูซิว่ามีสังโยชน์ข้าใดข้อหนึ่งบังเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าบังเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริง แล้วก็เพียรพยายามลดละบันเทาความรู้สึกในลักษณะนั้นออกไปซึงตามปกติกิเลสประเภทที่เรียกว่าสังโยชน์หรือเรียกอะไรก็ตามนะ้าก็เกิดกลุ่มรุมจิตแล้วบางก็เรียกว่านิวรณคื อ, อยังนึกถึงแม่น้ำนะฮะแม่น้าในสายต่างๆเนี่ยอย่างแม่น้ำนครชัยศรีแม่น้ำสุพรรณแม่น้ำท่าจีนอะไรต่ออะไรเนี่ย แม่น้ำไม่กลองเนี่ยฮะแม่น้ำไม่กรองแ ม, ม, ม่น้ำท่าจีนแม่น้ำนครชัยศรีตลอดถึงแม่น้ำที่อะไรเมื่อการลก็ เ, เป็นแม่น้ำสายเดียวกันแต่ก็เรียกแตกต่างกันออกไปเร่ๆแม่น้ำเจริยาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราลกระแสของกิเลสมันก็คือกิเลสอ่ะเพียงแต่ว่าท่านเรียกชื่อตามลักษณะอาการที่แตกต่างกัน อาารันมัคคยาด น, นั้นเป็นการถอนรากง่าวของสังโยชน์ได้ทั้งหมดพระอาจานยจึงใช้สนวนบรลีว่ากลานปวงกิเลสเป็นสมุทเฉตรประหารหาเศษบอบมีได้คือไม่เหลืออะไรอยู่เลยแม้แต่วาสนาวาสนาก็ถือว่าเป็นเศษของกิเลสนะแต่ว่าพอดีทาา่านก็ละได้เลยกิเลสที่เราเรียกว่าสังโยชน์ประเภทแรกก็คือสักกายทิฐิ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีตนมันก็สืบเนื่องมาจากความคิดที่ว่าสรพพชีวิตนั้นมาจากสิ่งสูงสุดไอ้คมอาตาตัวตนนั้นมันเป็นคําเรียกเชื่อมโยงมากับปรมาตมันกับมหาตมันม า, าตมันก็คืออาตาใหญ่อาตาตมันก็คือตัวคนแต่ละคนเนี่ยแล้วก็บาลีก็เรียกว่าอาตา ซึ่งในแง่ของความเป็นจริงแล้วมันเป็นกระบวนการเลื่อนไหลที่ไม่ได้เป็นอัตราตัวตนอย่างที่เข้าใจกันการที่ไปมองเห็นอย่างนั้นเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นก็เกาะกลุ่มกันอยู่ต่อเรียกว่าเรามองแบบคณะสัญญาคือกาหนดหมายด้วยความเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่มมันก็เป็นตัวตนเป็นแก้วเป็นบ้านเป็นรถเป็นเรือนเป็นอะไรต่ไดเนี่ยเป็นเสื้อผ้าอภรรต่าง ถ้าเราแยกสัดส่วนของสิ่งเหล่านั้นออกไปเราก็หาตัวตนมันไม่เจอมันคล้ายๆ ก, กับโคที่ถูกฆ่าชำแหละแยกส่วนออกไปแล้วก็หาโคไม่เจอเพราะอัตตานั้นมันมีในแง่สมมตุติไม่ได้มีในแง่ของความจริงที่แท้จริงแต่ความจริงที่แท้จริงนั้นมันเป็นการเกาะกลุ่มจากหน่วยย่อยที่สุดของอนูเล็กๆขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็กลายเป็นมาสังขาร แต่เพราะว่าความเห็นของคนเรามันเชื่อมโยงมาจากอวิชชาแล้วเรารู้อะไรไม่ค่อยตลอดนะก็ทำให้ไปสำคัญมั่นหมายเป็นอัตราตัวตนขึ้นมาเวลาท่านจำแนกแสดงเนี่ยคือจะสรุปก็แล้วกันว่าเวลาท่านแสดงจริงๆท่านแสดงเป็นสัตกายะคือตัว ต, วตวนใน20 20ประเภทอะไกัน ก็ไปยึดโยงอยู่กับขันทั้งห้าประการนั่นแหละเช่นว่าตนเป็นรูปรูปเป็นตนตนมีในรูปรูปมีในตนก็สี่ตเวตนามก็คิดอย่างเงี้ยสรุปว่าขันห้าเป็นตนตนเป็นขันห้าขันห้ามีในตนหรือตนมีอยู่ในขันห้ารวมแล้วก็ห้าสี่ก็ยี่สิบเป็นสัตกาญายี่สิบการมองในแนวนี้จึงมองประนีตขึ้นไปโดยลาดับนะ การจะศึกษาจะถ่ายถอนนั้นจะต้องอาศัยศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณจึงถ่ายถอนได้นคนที่ละสักยะทิฐิได้คนแรกนะฮะก็คือพระโสดาบันพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นอาถารพคือเป็นไปไม่ได้ที่ทิฐิสัมปันนบุคคลคือพระโสดาบัน จะไปมองเห็นทาทั้งปวงว่าเป็นอัตราตัวตนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าได้เข้าถึงความจริงที่แท้จริงเนี่ยไม่มีสังขารอะไรเชี่ยงไม่มีสังขารอะไรเป็นสุขไม่มีทาอะไรที่เป็นอัตราตัวตนที่แท้จริงแต่แนวสมมติไม่ว่ากันนะนะแนวสมมติไม่ว่ากัน สงโยชน์ประการที่สองก็คือวิจิตรฉาเป็นความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจตัดสินใจลงไปไม่ได้แต่ใช้ศรัทธาก็ศรัทธาก็ไม่พอจะใช้ปัญญาปัญญาก็ไม่พอมันก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็สงสัยเรื่องใหญ่นะฮะเราจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับอวิชชาเพียงแต่ว่าพวกนี้ก็เรียกว่าดีกว่าน่อยนะะดีกว่าวิชาหน่อย เอวิชาจะไม่รู้ในทุกไม่รู้ในสมุทยัยไม่รู้ในนิโรธไม่รู้ในมรรคไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตแอนาคตไม่รู้ทั้งกฎของปัฏิยาการแต่พวกนี้ก็จะอยู่ระดับสงสัยก็คืออาวิชานั่นแหละแต่มันก็คล้ายๆกับไม่ถึงก็มืดตื๊ดๆแต่ก็มืดพอขมุกขมัวพอเห็นอะไรบ้างพอมีแสงทองเรื่อๆก็ เ, เรียกว่าอะไรละ่ะรุ่งอรุณนะอรุณหรือสายัน์ มาความยังไม่ถึงกับค่ํายังไม่ถึงกับรุ่งมันเป็นอรุณไม่ถึงกับขาวไม่ถึงกับดําแต่ก็เทาๆนะฮะพอเห็นได้บ้างหเห็นไม่ได้บ้างเพราะคนที่จะล่าตรงนี้ได้เนี่ยเดาเห็นว่าความเครียดแกรงสงสัยที่ท่านเหล่านี้มีก็สงสัยในพระพุทธเจ้ากระธรรมพระสงค์ในใจสิขาแล้วก็ตรงนั้นก็เหมือนกันนะสี่ข้อข้างหลังเนี่ยคือสงสัยเรื่องอดีต สงสัยในเรื่องอนาคตสงสัยทั้งอดีตอนาคตสงสัยในกฎของปัจจัยการกฎปฏิจจสมุปาทผมนี่เรื่องยาวนะคะพระโสดาบันนั้นท่านมีธรรมะทั้งสองข้อซึ่งขจัดวิจิกิจาได้ทั้งคู่ท่านมีศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาเพราะนั้นก็ขจัดความสงสัยได้ ท่านก็มีปัญญาระดับที่เรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยความเห็นท่านก็ขจัดความสงสัยได้แล้วขจัดสักยะทิฏฐิได้ก็ต่อไปนั่นก็คือสีลพตปรมารคือถือมั่นโดยศีล้วยวัดโดยข้อปฏิบัติแบบขลังศักดิ์สิทธิ์ฝีหลวงลวเหลาเหล็กอะไรต่ออรต า, งตางๆวันก่อนไปบรรยาย ธมะที่แฟร์ี่แลนด์ที่ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ที่นครสวรรค์ก็ไปเจอปัญหาที่ค่อนข้างแปลกเมื่อปัญหาแถวนั้นมันหนักไปในทางเรื่องทรงเจ้าเข้าผีเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอะเยอะเหลือเกินแปลกจังก็ยังนึกว่าจะรวบรวมปัญหาเหล่านั้นมาศึกษาข้อมูบุญเพิ่มว่าทําไมถึงแพร่หลายอยู่ได้เยอะเหลือเกิน นั้นก็คืออะไรก็คือว่าเป็นความคิดที่ไม่ได้ใช้ปัญญาสอบทานซึ่งบางเรื่องแม้ในแวดวงของวิชาการเราลองสังเกตว่าแนววิชาการบางอย่างเช่นเราพูดถึงอะไรเร่กีบเรื่องพรสวรรค์นะครับพรสวรรค์นั่นเป็นความเชื่อแนวเทวนิยมแล้วก็พอเห็นใครพิเศษพิเศษจะบอกว่าได้พร พรสวรรค์คือได้พรมาจากสวรรค์ซึ่งหมายความว่าคุณลักษณะเด่นเหล่านั้นเป็นการประสิทธิ์ประสาทจากสิ่งสูงสุดก็คือพระผู้เป็นเจ้าคือเรามองมุมเดียวไม่ได้มองไปอีกหลายมุมว่าถ้าคิดอย่างนั้นแสดงว่าผู้เป็นเจ้านี่ครบไม่ได้เพราะผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งสรรพสัตว์แล้วก็รักสรรพสิ่งสรรพสัตว์เสมอเหมือนกัน ขนาดยอมสลัประชดอาชีพของพระองค์ถ่ายบาปให้แก่สรรพสัตว์อย่างที่ก็ปิดเป็นแผนเหลืองๆอยู่ตามต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขัดแย้งกด้ทังทีได้แสดงว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นอายุติธรรมคือเลือกให้พรกับคนบางคนที่พระองค์พอป ร, ระทยัยแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้พรมาจากพระองค์พระพุทธศาสนาเราไม่ได้ถือไว้สิ่งนี้มันเป็นพรสวรรค์ แต่ถ้าพรแสวงแล้วพกฟังได้นะแต่ในขณะเดียว ก, กันก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของบุญบา ร, รมีที่คนเหล่านั้นกระทำไว้ส่วนมากจุดเด่นก็คือพกปัญญาบา ร, รมีนะมันจะออกมาเด่นเป็นพิเศษเขาถือว่าเป็นอัจฉริยะมีความแหลมคมมีความลึกซึ้งมีไหวพริบมีปฏิภาณซึ่งเหนือสามัญชน เป็นกฎแข่งกรรมจึงก็หมายความว่าถ้าใครทํามาถึงจุดเดียวกันก็จะเกิดผลในลักษณะอย่างนี้นก็เป็นกระบวนการยุติธรรมใครต้องการก็ต้องสร้างเหตุขึ้นใครไม่ต้องการก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ก็กลายเป็นความยุติธรรมพระสักการามีแปลว่าผูกมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว ก็หมายความว่าจะเกิดอีกสองชาตินะฮะหมายความว่าตายไปจากพระนาคมีจะไปเกิดในที่ใดที่หนึ่งในสวรรค์หรือในมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสวรรค์ น, นะะแล้วก็จะมาสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งและจะบรรลุมรรคผลนิพพานในโลกนี้พวกอริยมรรคเนี่ยมันเกิดแล้วไม่เสื่อมนะฮะ แม้จะอยู่ในสองสารวัตรท่านเกิดปรับขึ้นมาท่านก็เป็นพระโสราบันเหมือนเดิมนะเป็นพระนักสักการามีเหมือนเดิมนาคามีเหมือนเดิมก็เรียกว่าเป็นการหลุดพ้นที่ไม่กําเริบคือไม่เปลี่ยนแปลงท่านทำราคะโทสะโมหะให้เบาลงจะถามว่าเบาขนาดไหนท่านก็ไม่อธิบายไว้ชัดนะฮะแต่จากการสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่พบสักการะมีที่มีครอบครัว ยังไม่พบนะไม่ทราบปะจะมีหรือไม่มีแล้วก็ยังไม่เคยพบไม่พบตัวตนของบุคคลเนี่ยปัญหาสําคัญว่าร่มประโพธิยานตรงเนี้ยเราสังเกตว่าตัวการสําคัญว่าถ้าเรารู้จักตัวเราเองเราสามารถสัมผัสร่มประโพธิยานได้ระดับหนึ่งโดยใช้สัทธานําหรือใช้ปัญญานํา ใจดีก็ควรจะใช้ทั้งสองอย่างเพราะว่าสศรัทธากับปัญญานั้นเขาอิ่งอาศัยซึ่งกันและกันจะต้องปรับศรัทธากับปัญญาให้สม่ำเสมอกันแต่ปัญญาล้ำหน้ามากเกินไปนะมันก็กลายเป็นขนเฟืองถ้าศรัทธาล้ำหน้ามากเกินไปก็าอาจจะงม ง, งายไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเชื่อ ในเมืองไทยเราเนี่ยฮะมีจังหวัดหนึ่งก็ตอนนี้ไม่ทราบหายไปแล้วอย่างคือหลายปีเดียวก็รู้มาว่ามีคนประกาศตนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแล้วก็มีพระสมัครตัวเป็นลูกศิษย์ตั้งสิบประลกไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันนั้นก็แสดงให้เห็ น, หนึ่งว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาใช้สถานนำไปจนงมงายไม่มีเหตุผลอะไร เราไม่เข้าใจว่าอาราหาันตะคุณเนี่ยค <c oughs> ารวาสทรงไว้ไม่ได้ชีวิตของคารวาสานเขาเรียกเป็นฮินเพียราะท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระาหันปั๊บเนี่ยท่านต้องบวชหรือนิพพานแต่นั้นเองแล้วคนจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยตัวรูปร่างกายเนี่ยจะต้องประกอบด้วยหมาปริศะลักษณะสามที่สองประการแล้วจะต้องไปเกิดในสกุลของกษัตริย์หรือสกุลพราหมณ์มันมีองค์ประกอบเยอะเลย มันได้มีสักอย่างหนึ่งอะว่าเกณฑ์มาตเป็นเครื่องวัดความเป็นรพระุทธเจ้าเนี่ยเอาสา ม, มัญธรรมดาเหตมผลธรรมดาก็มีอยอะแแต่ว่าเมื่อเราไม่ใช้มันก็กลายเป็นเครื่องมือของคนเราด้และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าอาการบรรเทาโลกกวดหลงเนี่ยก็เรียกว่าราคาโทสะโมหะเบาลงหรือพูดง่ายว่าโรคกดหงเนี่ย ทำยังไงจะบรรเทาได้บ้างลดความรุนแรงของกิเลสเหล่านี้ลงไปสักบ้างเพราะมันสร้างปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นแก่สังคมมากเกินและจนบางเรื่องนี้เราอย่างนึกทางออกไม่ได้นะว่าจะไปกันทางไหนเมื่อตอนเขาเลือกตั้งสวรุ่นที่สองเนี่ยนะวางพวกครูบาอาจารย์มาจะไล่เขาพูดเนี่ย มันอย่างนึกว่าเออตะคนอย่างคิดกันอย่างนี้ก็คงจะแย่แหะคือเราอ้างรัฐธรรมนูนโดยลืมว่ารัฐธรรมนูนเนี่ยเขาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจําเลยบริสุทธิ์นะนี่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผิดหมดอนะ่ะคนก็ได้คะแนนเป็นแสนแสนเนี่ยจะปรับจะหาว่าโกจะหาว่าซื้อเสียงเนี่ยเอาเงินที่ไหนมาซื้อคะแนนเป็นแสนแสนนะ่ยซื้ อ, อยังไงลองอธิบายวิธีซื้อมาดูสิคือคือคือเรา ต้องมองโดยเหตุโดยผลไม่ว่าอะไรก็ตามวิธีคิดแบบพุทธเนี่ยมันใช้ศรัทธาใช้ปัญญาการจะให้โทษคนเนี่ยถ้าเขาไม่ชัดเจนแล้วต้องไม่ลงโทษดีกว่าลงโทษแต่ให้คุณคนเนี่ยแม้ไม่ชัดเจนเราก็ให้ได้นะยกย่องส่งเสริมสนับสนุนเขาตามเหมาะควรแก่ฐานะพื้นฐานการมองโลก จึงจะบรรเทาุโรหิตได้ก็มีศรัทธานำหรือปัญญานำหรือเมตานำก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะอยู่ครองชีวิตครองเรือนโดยความปกติสุขได้ก็หมายความมาสัมผัสร่มโพธิญาณได้ระดับหนึ่งต้องฟังทั้งหลายแต่รบแต่ร่มพ ร, ระโพธิญาณในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงองงามไปบุญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี